ก็สําหรับช่วงเช้าวันนี้เป็นเช้าแรกที่เราจะได้เริ่มปฏิบัติร่วมกันเมื่อคืนนี้เป็นไงนอนหลับสบายดีไหมสบายดีนะท่านนอนตามที่ในแนะเมื่อวานก็จะหลับดีทุกคนแต่บางคนอาจจะยังไม่คุ้นเรายังติดที่นอนเดิ ม, ดมอยู่เรามานอนตามธรรมชาติ ใ, ใจของเราก็จะตื่นตัวนอนหลับยากแต่บางคนที่มีสมาธิดีแล้วก็หลับง่ายแล้วค น, นที่แผลเมตตาก็สุขขังปฏิพุทธติตื่นก็เป็นสุขสุขังสุปฏิหลับก็เป็นสุขสำหรับวันนี้สิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเราจะเอาโครงสร้างของของศีลเนี่ยเป็นหลักในการ เขาเรียกเป็นค่ายของศีระจารีณีรือว่าเป็นการเข้าค่ายศีระจารีณีผู้ประพฤติศีลและในตัวศีลนี่ก็จะเป็นเรื่องของสติคำว่าศีลกับสตินี่เป็นเป็นเรื่องเดียวกันคนที่มีศีลก็คือคนมีสติคนมีสติก็คือคนมีศีลแต่ท่านบอกว่าพระอริยเจ้ามีสติเป็นศีลเพราะศีลนี่มี2ระดับคือศีลโดยสมมติ หรือว่าสินสังคมมีศิน5ศินแินสองรอย่ิเายงมหายานก็ศิน300เป็นภิกษุณีก็ศินีถ้าเป็นภิกษุก็ศิน2 5งถ้าเป็นเถรวาทก็ภิกษุณีศิน3 1มอิภิกษุก็ศิน227รี่ทั้งหมดนั้นเป็นศินสังคมถ้าเป็นรั้วก็คือเป็นหลัก ้วปักอมเพื่อไม่ให้สิ่งอันตรายหลุดลอดเข้ามาอันตรายแก่จิตใจนะแต่ว่ายังไม่ใช่ศีลโดยของพระอริยเจ้าศีลของพระอริยเจ้านั่คือการรักษาใจนะดังนั้นชีวิตของเราที่ว่ารักษาชีวิตนี้ที่ว่าศีลข้อหนึ่งรักษาชีวิตเราจะรักษาชีวิตได้อย่างไรที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสงบสุข เขาว่าชีวิตนี่เหมือนเหมือนเสาหลักอันที่หนึ่งชีวิตแบ่งเป็นกี่อย่างชีวิตแบ่งเป็นกี่อย่างใครจำได้บ้างชีวิตทุกชีวิตเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอย่างนะคือกายกับใจหรือรูปกับนามโดยหลักนะกายกับใจรูปกับนาม ถ้าเป็นภาษาโดยทั่วไปชาวบ้านทั่วไปเรียกกายกับใจแต่ถ้าเป็นภาษาวิปัสนาภาษาปรมัติ์ท่านจะใช้คำว่ารูปกับนามเพราะกายกับใจนี่หมายถึงตัวกายเท่านี้กับใจมันแคบแต่ถ้ารูปกับนามมันกว้างรูปหมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นเสียงที่เราได้ยินก็เป็นรูปกลิ่นที่เราสัมผัสทางจมูกก็เป็นรูป รสที่เราสัมผัสทางลิ้นก็เป็นรูปสัมผัสที่เราสัมผัสทางกายก็เป็นรูปอารมณ์ที่สัมผัสทางจิตก็เป็นรูปเนี่ยรูปเสียงจิตรสสัมผัสอารมณ์เป็นรูปเรียกว่ารูปแต่นามนั้นหมายถึงความรู้สึกนึกคิดนะความรู้สึกนึกคิดที่เป็นเวทนาความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนี่เป็นนาม รูปเสียงกินลดสัมผัสอารมณ์นี่เป็นรูปเรียกว่ารูปนามเพราะนั้นชีวิตหนึ่งเดียวเนี่ยแตกออกเป็นสองง่าคือง่ารูปและนามถ้าสมมติว่าเราได้ยินเสียงรูปของเสียงก็ามากระทบหูในภาษาปรมาภิริว่ารูปเหมือนกันรูปของเสียงรูปของเสียงนี่เราจะไม่เห็นเป็นเป็ น, ปนตัวมันเป็นคลื่น แต่สิ่งไหนที่ประกอบด้วยสีด้วยแสงนี่เรียกว่ารูปสิ่งไหนที่ตามองเห็นถือว่าเป็นรูปหมดนะเพราะฉะนั้นโดยโดยปรมัตร์นี่จะไม่แยกว่าเป็นนั้นเป็นนี้โดยปรมัตร์ถือว่าเสานี่ก็เป็นรูปโยมที่นั่งอยู่ก็เป็นรูปนาฬิกาเรียกชื่อเดียวทั้งหมดโดยปรมัตร์นี่มันจะมีชื่อเดียวสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนีย่มีชื่อเดียวว่ารูปนะ จะเป็นรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัสนั่นชีวิตหนึ่งเดียวแยกเป็นสองคือจาไว้ว่าได้แก่รูปกับน้ำทีนี้รูปมีกี่อย่างรูปประกอบด้วยอะไรบ้างรูปมีสองอย่างรูปรูปอย่างหยาบรูปอย่างหยาบมี4คืออะไรดินน้ำลมไฟเรียกว่าธาตุใช่ไรูปอย่างหยาบเรียกว่าธาตุส รูปอย่างใหญ่ประกอบด้วย4ดินน้ำลมไฟตัวของเราเนี่ยประกอบด้วยทสีใช่ไหมรูปรูปใหญ่เนี่ยประกอบด้วยรูปเล็กรูปเล็กลงมา4คือดินน้ำลมไฟและรูปเล็กขนาดกลางทั้งสี่นี่แยกแยกออกไปอีกเป็น28 28รูปนะย่รูปเช่นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูป แก่รูปเจ็บรูปปวดรูปอะไรพวกนี้เป็นรูปทั้งนั้นนะรูปชลารูปหนุ่มรูปสาวรูปเด็กรูปเล็กรูปการเคลื่อนอะไรงต่างเป็นรูปเขาเรียกว่าอุปาทายรูปคือรูปอาศัยรูปหลักมี4ดินน้ำหลวงไฟรูปอาศัยมี24รวมไป็น28เขาเรียกว่าอุปาทายุูถ้ารูปใหญ่นี่เขาเรียกมหาภูตารูปเพราะฉะนั้นรูปมี28แต่ โดยปนามัตแล้วมีรูปเดียวแต่แยกเป็นชนิดมี28่นะนี่เรียกว่าชีวิตแบ่งเป็นสองคือรูปรูปแบ่งเป็นแยกเป็นรูปหยาบกับรูปละเอียดรูปหยาบเรียกว่ามหาภูตยรูปรูปละเอียดเรียกว่าอุปทายรูปทีนี้นามบ้างนามแบ่งเป็นเป็นสองคือรูปนามกับนามรูปนะ รูปนามกับนามรูปรูปนามหมายถึงความรู้สึกที่อยู่กับกับกับรูปเสียงขี่รถสัมผัสนี่เรียกว่าความรู้สึกตาที่เราเห็นนี่รู้สึกทางตาเขาเรียกว่านามทางตานามทางหูหูเราได้ยินเขาเรียกว่าเสียง ม, มูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสนี่เพราะฉะนั้น ความรู้สึกที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่ารูปนามนะความรู้สึกที่เป็นเป็นหายใจอย่างเดียวเช่นความรู้สึกสบายมันสบายรู้สึกเฉยเฉยเาเรียกว่าเป็นความคิดออกมาความรู้สึกที่เป็นไปนในความคิดหรืออารมณ์เราเรียกว่านา ม, มารูปนะเพราะะนามมี2 อ, อย่างคือรูปนามกับนามรูปแต่รูปมี28อย่างคือรูปหยาบกับรูปละเอียด รูปหยาบเราเรียกมหาภูต ร, รูปรูปละเอียดแล้วว่าอุปทั ย, ยรูปนะอันนี้คือรายละเอียดของชีวิตให้รู้จักโครงสร้างหลักๆซะก่อนว่าเราจะรักษาชีวิตเราได้เนี่ยต้องรู้จักชีวิตการจะรักษาศีลรักษาชีวิตเนี่ยต้องรู้จักชีวิตเราประกอบด้วยอะไรบ้างเอาเอาแยกไว้แค่นั้นก่อนถ้าแยกไปละเอียดกว่า น, นั้นเดี๋ยวเราจะงงนะว่ารูปในส่วนหยาบกับในส่วนละเอียด นามในส่วนหยาบและในส่วนละเอียดนามในส่วนส่วนหยาบเรียกว่ารูปนามนามในส่วนละเอียดเรียกว่านามรูปอย่างสมมุติว่าเราคิดถึงบ้านเนี่ยเป็นรูปนามหรือนามรูปเป็นนามรูปพอคิดถึงบ้านบ้านปรากฏในใจเป็นรูปของบ้านใช่ไหมรูปของบ้านปรากฏละแต่ในขณะนี้เรานั่งเราปวดขานี่เป็นรูปนามหรือนามรูป เป็นรูปนามเพราะมันปรากฏที่รูปตรงนี้เห็นไหมแต่เราคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องคิดถึงลูกรูปของรูปรูปของนั้นมาปรากฏเป็นภาพในใจเขาเรียกว่านามมารูปในขณะนี้เรานั่งปวดแข้งปวดขาเจ็บคันสบายไม่สบายเป็นรูปนามเพราะมันรู้สึกได้กับรูปตัวนี้นะดังนั้นการเรียนรู้การเจริญสติก็เรียนรู้ไปจากรูปนี้ก่อน นะเรียนรู้ไปจากรูปนี้ก่อนว่ารูปที่เป็นรูปน้มเนี่ยให้เรียนรู้อันดับแรกคือเรียนรู้รูปน้มก่อนรูปน้มเป็นยังไงขณะ น, น, นี้สบายหรือไม่สบายคือเรียนรู้สัมผัสเข้าไปจากของจริงเลยในการปฏิบัติพิปัสนานะรูปน้มที่ปรากฏขณะ น, น, นี้มันมีอะไรบ้างนะมีเย็นไหมมีร้อนมีไหมมีบางคนก็ร้อน อ่อนมีไหมอ่อนว่น า, าร่างกายเลื่อนไวแข็งมีไหมแข็งบางกายเรานั่งได้เพราะความเข้มแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเคลื่อนไหวเจ็บปวดเราเนี้ยเป็นอาการของรูปอาการของรูปที่มันทำหน้าที่ตรงนี้เขาเรียกว่ารูปทำนะรูปทำ ร, ร, รูปมันทำงานรูปทางานอย่างไร รูปทำงานสามอย่างคือหนึ่งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่รูปอะนั่งอยู่เฉยๆสักชั่วโมงเนี่ยไหวไหมโดยที่ไม่เปลี่ยนไม่ไหวนะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นทุกข์ถ้าไม่เปลี่ย น, น, น, ก, <c oughs> ยนก็เป็นทุกข์เวลามันทุกข์ขึ้นมาเราบางังคับบัญชาให้หายได้ดังใจได้ไหมมันเป็นอะไรเป็นอนัตตา ไม่มีตัวที่ให้บังคับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรืเ่อยๆเห็นไหมอาการของรูปเป็นสามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาไม่ไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยเลือดต้องไหลเวียนตลอดเวลาคือความเปลี่ยนแปลงลมไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาคือการเปลี่ยนแปลงนั่งอธิยา บ, บทสี่ยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนตลอดทุกทุกระยะอ่า เราไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงเราจะอยู่ได้ไหมหายใจเข้าไม่ให้มันเปลี่ยนออกอยู่ได้ไหมหายใจออกไม่ให้มันเปลี่ยนเป็นเข้าก็ไม่ได้กดจุดให้หยุดเลือดม่หยุดเดินก็ไม่ได้เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงคือการดำรงอยู่ของชีวิตถ้าชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นมันจึงเป็นไปตามกฎของอนิจจัง แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราชอบเช่นเวลาทานข้าวไปแล้วอ่ามันย่อยมันเปลี่ยนแปลงย่อยสลายเป็นธาตุอาหารธาตุอาหารที่เปลี่ยนย่อยสลายแล้วเหลือกากทิ้งออกมาเปลี่ยนทิ้งออกไปอันนี้ทางานตามธรรมชาติแต่วันไหนเร า, ากินอะไรเข้าไปแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเป็นก้อนเป็นแท่งอยู่อางนั้นเป็นยังไงมีปัญหาแล้วใช่ไหมอาหารไม่ย่อยอา้าว นอกจากไม่เยอะแล้วถ่ายไม่ออกอีกนนะการไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เดือดร้อนการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ดีนะมีทางทางลูปนะหรือหายใจเข้าไปแล้วหายใจเข้าแล้วมันกลับไม่ค่อยเข้าจมูกมันตันจูมันแน่นมันไม่ค่อยเข้าหายใจเข้าแล้วหายใจไม่ค่อยออกอีกก็ชักยุงแล้วนีน่การเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตอยู่แต่ว่าผลของการเปลี่ยนแปลง เลือดลมเดินตลอดเวลาแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอิยาบทให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของเลือดข้ลมก็เกิดอาการปวดอาการเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอาความเจ็บปวดนัานออกไปถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์อ่าเป็นทุกข์การเปลี่ยนแปลงนาไปสู่ความทุกข์ก็มีนาไปสู่ความสุขก็มีเช่นแล้วนั่งนานๆไม่เปลี่ยนเลยนำไปสู่ความทุกข์อ่าเวลามันทุกข์ แล้วเราก็บังคับมันไม่ได้ต้องแก้ไขตัวที่เข้าไปแก้ไขทุกนี่มีสองอย่างหนึ่งแก้ไขโดยสัญชาตญาณสองแก้ไขโดยปัญญาถ้าแก้ไขโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันก่อให้เกิดความหลงเช่นว่าเรารู้สึกปวดป้าเราก็เปลี่ยนทันทีเลยไม่ได้พิจารณาไม่ได้กาหนดรู้แล้วก็สั่งสมอะไรเรื่อย สั่งสมโมหะความหลงเรื่อยๆเพราะเราทำตามสัญชาติยานนะแต่พอเราได้ปฏิบัติวิปัสนาแล้วก่อนที่เราจะพลิกจะเปลี่ยนเรามีการกำหนดรู้ก่อนว่าความเจ็บความปวดขณนา น, นี้เป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นนามหรือเป็นรูปนะความเจ็บปวดที่เราจะเปลี่ยนขานี้มันเป็นรูปนามหรือเป็นนามรูปรนะูปนามเพียงไหมรูปนามเป็นสุขเป็นทุกข์รูปนามมาฆบัญชาได้ไหม ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปลักษณะนี้เกิดปัญญาเคยพิจารณาอย่างนี้ไหมก่อนเปลี่ยนไม่เคยถึงว่ามันได้ทุกทุกวันองเพราะมันสังสมความเคยชินเรื่อยๆทุก็เกิดทุกวันว่าเราสั่งสมเหตุของมันเหตุของทุกก็คือความหลงลืมความาเคยชินเ ร, เรียกโมหะนะแต่ถ้าเรามาที่นี่เราฝึกว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยนึกเออความเปลี่ยนแปลง น, นี่ถ้าเราให้เราเจ็บปวดนะ ความเจ็บปวดนี่เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นี่มันไม่มีตัวที่จะเอาออกได้เท่านั้นต้องช่วยมันนะแล้วก็เอาสติปัญญาเข้าไปช่วยเปลี่ยนทีลนิดอย่างรู้สึกตัวแล้วก็เห็นด้วยว่าความเจ็บปวดมันหายไปได้อย่างไรแล้วนั่งท่าใหม่ความเจ็บปวดก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วก็พิจารณาเป็นนิจงังทุกขังนตาอย่างนี้เรื่อยไปนี้เรียกว่าการเจริญสติวิปัสนาปัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนไหนกำหนดได้มากได้บ่อยปัญญาก็มากขึ้นเรื่อยๆ คนไหนกำหนดได้น้อยปัญญาก็น้อยหน่อยการรู้ธรรมก็ช้าคนไหนกำหนดได้ทีได้บ่อยได้เรื่อยๆทุกเรื่องไปปัญญาก็เกิดขึ้นไวการรู้ธรรมก็เกิดขึ้นไวการรู้ธรรมก็คือการรู้ตัวนั่นแหละนะไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่คนไหนรู้ตัวมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าอะไรเกิดก็รู้หมดนั่นเขาเรียกว่ารู้ธรรมแต่การลืมตัวก็คือการไม่รู้ธรรมนะการลืมตัวการไม่รู้ธรรม ดังนั้นการปฏิบัติต่อรูปนามด้วยใช้หลักของอะไรที่จะทำให้เกิดปัญญาได้โดยการใช้หลักของวิปัสนาคือพิจารณาก่อนว่าอาการที่มันปรากฏที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นโกดของอนิจังนะเมื่อเป็นโกดของนิจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนถ้ามันมีตัวตนมันต้องบังคับได้ดิอย่างที่เราต้องการนี้เราบังคับมันไม่ได้มันจึงไม่มีตัวเรียวกว่าเป็นอนัตตาจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าคนไหนพิจารณาทุกครั้งในการทําอะไรพิจารณางี้ทุกครั้งปัญญาวิปัสสนาปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมปับ๊บ มันก็จะเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นเห็นตัวเองมีสองอย่าง 1. เห็นตัวเองเป็นสมมุติ 2. เห็นตัวเองเป็นประมัตดเห็นตัวเองโดยสมมุติก็คือเห็นเรานี่เป็นผู้หญิงผู้ชาย เห็นว่าเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพระเป็นเนรเป็นเถ็นเป็นชีเป็นดีเป็นชั่วเป็นรวยเป็นจนเป็นถูกเป็นผิดเป็นพานเป็นบัณฑิตไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้สุดเป็นสารพัดลักษณะนี้เห็นแบบสมมุติถ้าหากว่าเราเห็นเป็นผู้หญิงถ้าใครมาพูดดูถูกผู้หญิงเนี่ยเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ขึ้นทันทีเพราะเราไปติดสมมุติเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบสมมุติแล้วทุกข์มันจะเกิด อะไรมากระทบกระแทกในทางที่ไม่ถูกทางนี้ไม่ได้เราจะยึดท่านฉะนั้นท่านก็เลยให้มาปฏิบัติก็ให้เกิดปัญญาเท่าทันสมมติเมื่อเกิดปัญญาแล้วท่านสมมุติให้รู้ตัวเองเป็นปรมัตดเสียทุกมันจะได้ไม่เกิดถ้ารู้ตัวเองเป็นปรมัตดรู้ว่าอย่างไรรู้ว่าตัวนี้ตัวที่เรานั่งอยู่นี้เป็นอะไร เป็นรูปเป็นนามรูปประกอบด้วยอะไรบ้างธาตุสีใช่ไหมธาตุสีนี่มีธาตุที่ย่อยเข้าไปอีก24เป็นธาตุ่าิบดใช่ไหมนามก็ได้แก่ตัวขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมีญาณมีตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างมีพระมีเนนมีเถนมีชีมีผู้หญิงผู้ชายไหมไม่มีเราจึงเรียกว่า ปรมัดนะคือรู้ในส่วนที่มันส่วนประกอบเราเรียกว่าคนเราเรียกว่าเราก็ส่วนประกอบส่วนประกอบห ย, ยาบๆของคนเนี่ยมีเท่าไหร่มี4เรียกว่าธาตุแล้วมีอาการย่อยส่วนประกอบอย่อเรียกว่าอาการเท่าไหร่อาการสามใช่ไหมมีผมขนเล็บฟันนังกระดูกเนื้อเนื้อเอ็น ไส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าไตตับพังผืดเลือดสเสล็หน้องดีน้ำหมูกน้ำเลือดน้ำเน่าแจงออกไป3 2มส่วนประกอบกันแล้วจึงเรียกว่าคนอย่างรถเนี่ยประกอบด้วยอะไรกี่ชิ้นประกอบกันเข้าก็เรียกว่ารถแต่พอแยกชิ้นส่วนประกอบออกทั้งหมดเนี่ยความเป็นรถมีอยู่ไหมไม่มีความเป็นรถหายไปพอมาประกอบกันเข้าใหม่แล้วก็เรียกว่า รถเราประกอบด้วยอาการ32ชิ้นพอแยกเนื้อเราก็เรียกว่าเนื้อแล้วขนไม่มีแล้วแยกกระดูออกไปแยกฟันออกไปแยกผมออกไปแยกขนออกไปแยกหูออกไปแยกตาออกไปแยกจมูกออกไปแยกลิ้นออกไปแยกตับแยกเป็นส่วนๆๆออกไปหมดหาคนเจอไหมหาเราเจอไหมหาไม่เจอนะ แต่เมื่อจับมาประกอบใส่กันเข้าไปอีกเราก็เรียกว่าคนอีกเรียกว่าเราอีกเนี่ยนี่เห็นไหมชีวิตมันมันประกอบเป็นส่วนแต่เมื่อไรเราไปามาประกอบกันเข้าเราก็คิดว่าเราปเป็นเราแล้วทีนี้ใครมาจับหูเราเล่นโดยที่ไม่รับอนุญาตเรารู้สึกเป็นไงคนที่ไม่รู้จักกันมาจับหูเราเล่นเฉยเลยเรารู้สึกยังไง เราก็รู้สึกว่าโกรธเลยใช่ไหมเอาเรื่องเอาราแจ้งตำรวจกันระมิดถูกระมิดสิทธิอะไรขึ้นมาไปเรื่องไปราวเพราะเราไม่สบายใจเพราะนี่มันเป็นเพราะว่าเราเป็นสมมุติว่าหูของเราใช่ไหมแต่ถ้าอีกคนหนึ่งไปจับหูของคนอื่นนะรู้สึกโกรธไหมไม่รู้เกิดเพราะมันไม่ใช่หูของใครไม่ใช่หูของเราเ <laughs> นี่ยเพราะเราไปสําคัญว่าเป็นหูของเราทุกมันถึงเกิดอย่างไง แต่ถ้าสมมุติว่ า, าคนเราเนี่ยตายไปแล้วเขามาาันจะบหูเราแล้วเราโกรธเป็นไหมคนนั้นไอ้ส่วนที่มันโกรธนี่รูปโกรธหรือน้ําโกรธอ้าวรูปมันตายนั้นยังไม่เราไริจับมันยังไม่โกรธเลยรูปมันโกรธเป็นไหมอ้าวผู้ที่โกรธเป็นได้แก่ใคร ไ, ได้แก่นามนะได้แก่นามแต่นามที่จะทําหน้าที่โกรธเป็นนั้นเพราะนามนั้นไปสําคัญมันหมายว่าร่างกายนี้เป็นของเรา แต่ถ้าเราไม่สำคัญมันหมายว่าร่างกายนีเป็นของเราเราก็ใครมาจับเราก็ไม่โกรธนะแต่ต้องทำให้ถูกต้องก่อนเช่นเราไปหาหมอหมอเขาอนุญาตจับหูตรวจหูหน่อยนะโกรธหมอไหมอ่าเพราะทำไมยังไม่โกรธเพราะเราทำถูกต้องตามสมมติถ้าเราผิดสมมติใครจู่ๆมาจับหูเราโดยที่ไม่รับอนุญาตเขาเรียกผิดสมมติเราก็โกรธใช่ไหม แต่พอไปหาหมอหมอขอตรวจดูหูหน่อยไปไงหูเนี่ยเราก็ดีใจว่าหูเราถูกจับแล้วก็พอใจใช่หเห็นไหมจับหูเหมือนกันอีกคนนึงจับแล้วไม่พอใจแต่อีกคนนึงจับพอใจอ่าเห็นไหมเพราะนั้นการปฏิบัติถูกต้องตามสมมุตินี่เราเรียกว่าศีลและธรรมนะแต่การถูกจับถูกต้องโดยที่เราไม่เกิดความรู้สึกใดๆพอใจก็ไม่มีไม่พอใจจะถูกจับเฉย เราเรียกความรู้สึกนั้นเป็นปรมัตา์นะดังนั้นเราจึงมาปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้เข้าใจสองอย่างนี้เข้าใจว่าตัวของเรานั้นถูกสมมุติว่าเรียกว่าตัวเราแตตัวเรานี้ถูกสมมุติขึ้นมาก็เพราะส่วนประกอบต่างๆแต่เมื่อถูกสมมุติขึ้นมาแล้วถ้าปฏิบัติต่อมันไม่ถูกต้องก็ขอให้เกิดความโลคความโกรธความหลงแต่ปฏิบัติมันยังถูกต้องก็ขอให้เกิดความสบายใจนะอันนี้คือชีวิต นะอันนี้คือชีวิตเอาละทีนี้ถ้าหากว่ารูปมันทําหน้าที่อย่างนี้นะรูปทําหน้าที่ยังไงทาหน้าที่ อ, น, อนนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ละเวลาเรียกว่ารูปธรรมนะเรียกว่ารูปธรรมถ้าหากว่าเราจะทําให้รูปนี้หมดทุกโดยที่เรายังไม่ตายเนี่ยเป็นไปได้ไหมพระพุทธเจ้าทุกไหมทางกายเนี่ย ทุกพลัรหันทุกไม้ทางกายอ่ะทุกท่านต้องทุกเพราะเจ็บเพราะปวดท่านต้องทุกเพราะทายท่านต้องทุกเพราะอ้าพาดใช่ไหมแต่ท่านทุกแต่ทางกายใช่ไหมทุกทางกายนี้ทุกทุกคนไม่เว้นแต่พระพุทธเจ้านะพระุทธเจ้าเวลาตอนพระเทวทัตกลิ้งหินลงจากเขาแล้วสะเก็ดหินมาถูกพระบาทของท่านก็ท่านก็ทุกทางกายต้องหาหมอมารักษาเหมือนกัน หมอที่มารักษาผู้ทีเจ้าชื่อหมออะไรจําได้ไหมพวกเราเป็นพยาบาลต้องรู้จักอหมอชื่ออะไรถ้าไม่รู้จักนี่สอบตกพยาบาลต้องสอบใหม่เรียนละหมอคนนั้นชื่อว่าหมอชีวกโกมาลาพัฒน์ไงอ้อยแล้วนะหมอชีวกโกมาลาพัฒเป็นหมอเป็นแพทย์ประจําตัวของพู้ทีเจ้าผูนะ้ทีเจ้าไม่สบายเป็นอะไรต่างๆก็หมอคนนี้ก็จะมาขอรักษา แต่พรุทธเจ้าไม่ต้องการรักษาแต่หมอมาขอรักษาเพื่อยืดชีวิตของพระองค์ให้ให้เข้มแข็งให้ดีได้ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้แล้หมอชีวกกมัลลพัทเพราะฉะนั้นพวกหมอโบราณก็ดีหมอปัจจุบันก็ดีถ้าจะมีการขึ้นครูก็ต้องขึ้นครูกับหมอชีวกกมัลลพัทเป็นแพทย์ประจำตัวของพุทธเจ้าเอาละทีนี้เรื่องของรูปถ้ามันทําหน้าที่อ น, นิจจังทุกขังหน้าตายอย่างถูกต้องแล้วว่ารูปรำ ที่นามเหมือนกันนามคือใจของเราเนี่ยมันทำหน้าที่ไหมนามคือใจทำหน้าที่ใจของเราที่ทำหน้าที่อะไรบ้างเวลาตาเห็นเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เห็นเห็นแล้วก็รู้จักว่าใครเป็นใครเนี่ยถ้าเห็นเฉยเฉยไม่รู้จักก็เรียกว่าตาไม่ทำหน้าที่ตาเราบอดบ้างตาเราหลับบ้างตาเราดูเฉยเฉยบ้าง ถาตามองเห็นแต่มันไม่ทําหน้าที่เขาเรียกว่าสัตแต่ว่าเห็นแต่ถ้ามันทําหน้าที่เรียกว่าจักหูวิญญาณมันเห็นมันรู้จักตัวรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าจักหูวิญญาณวิญญาณเกิดได้ใช่ไหมหูได้ยินได้ยินเสียงว่าเสียงเสียงนี้หมายความว่ายังไงไอ้การรู้ความหมายของเสียงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าโสตวิญญาณใช่ไหมว่าเสียงนกเสียงกาเสียงคนเสียง พูดเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะเสียงธรรมะเรารู้เราแยกออกไอ้ตัวที่รู้แยกออกว่าเป็นเสียงอะไรนี่เราเรียกว่าโสตวิญญาณอ่าโสตวิญญแล้ว audio visual ใช่ไหมโสตวิญญาณ audio consciousness แล้วก็อ่าจมูกเวลากินโชยมาเรารู้ว่าไอ้ น, นี่มันกลิ่นปะลาร้าหรือกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าหรือกลิ่นหอมนะ่ยมันแยกออก ลักษณะที่มันแ ย, ยกกลิ่นออกได้แล้วรู้จักเห็นภาพเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าคานะวิญญาณไม่ใช่นาสิกนะภาษาวิญญาณเรียกว่าคานะคานะคือจมูก น, นาสิกก็คือจมูกคานะคานะคือในส่วนที่ประสาทสัมผัสแต่ตัวจมูกเรียกว่านาสิกนะแต่ประสาทสัมผัสจะเรียกคาน ะ, นะทีนี้เวลาไปทานข้าว ลิ้นมันแยกออกว่านี้เป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มอันนี้เป็นรสผลไม้รสเป็นรสเนื้อรสปลาลิ้นรสแกงอันนี้นรสขมรสมันอันเนี้ยลิ้นมันแยกออกหมดเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าชิวหาวิญญาณใช่ไหมอ่าเรียกว่าชิวหาวิญญาณคือการรับรู้ทางทางรสทีนี้เวลานั่งตรงนี้เราเจ็บก็รู้เราปวดก็รู้เราเย็นก็รู้ร้อนก็รู้ลักษณ ะ, ะ น, นี้เรียกว่า การรับรู้ทางกายเรียกว่ากายวิญญาณใช่ไหมกายวิญญาณ body consciousness นะกายวิญญาณแล้วเราอยู่ขณะ น, นี้เราคิดตามสิ่งที่จะมาพูดก็ดีเราคิดตามเสียงที่ได้ยินก็ดีเราคิดตามรูปที่ได้เห็นก็ดีเราคิดตามสัมผัสที่รู้ ก, ก็ดีมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาได้รับรู้ได้เราเรียกว่าอะไรเรียกว่า มนโนวิญญาณ mental formation หรือ mental consciousness นะมนโนวิญญาณนะเพราะฉะนั้นการรับรูอ้อังอยตนณทั้ง6นี้เรียกว่าวิญญาณเมื่อรับรู้เข้ามาแล้วมันก็มาปรุงใช่ไหมมาแยกออกไอการมาปรุงมาแยกออกเป็นนั่นเปน็นนี่ว่าอันนี้เสียงนี้หมายความว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ใจมันทำหน้าที่เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าสังขารเมื่อปรุงเ็ปรุงข้อมูลเสร็จเรียบร้อย แล้วเอาเข้ามาเก็บไว้ในเมมโมรีแล้วเรียกว่าสัญญาสัญญาคือเมมโมรีใช่ไหมมาเก็บไว้ในเมมโมรีแล้วกดเมมโมรีญญ่เซฟไว้แล้วทีนี้ไอ้เมมโมรีนี้เวลาเราจะใช้เมื่อไหร่ถ้าหากว่าเป็นจำในทางดีมันก็รู้สึกดีจำในทางที่ไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีืน่นเช้าขึ้นมารู้สึกสบายจิตมันจำเอาไว้แลาสบายถึงเช้ารู้สึกสดชื่น จิตมันก็จำมาไว้แล้วสุขชื่นแล้วก็รู้สึกสบายใจตลอดถ้ามันจำในสิ่งที่ไม่ดีม่คือนี่ฝันร้ายไม่ดีเลยจิตไปจำมาไว้ตื่นเช้ามารู้สึกเศร้าหมองไม่สบายรู้สึกสบายไม่สบายหรือเฉยๆเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าเวทนาใช่ไหมเวทนา feeling แล้วก็ตัวเวทนานี่เองทำให้เรานึกภาพออก นึกภาพออกว่ารู้สึกยังไงสบายเกิดอะไรขึ้นการนึกภาพออกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นฉากเป็นฉากนี้เรียกว่ารูปเพราะฉะนั้นเราเรียกโครงสร้างของจิตว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเวลาเรียงในฝ่ายปริยัติเราจะเรียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในภาคปฏิบัติภาคของจริงแล้วมันจะเรียงขึ้นมากับกันเป็นวิญญาณสังขารสัญญาเวทนาแล้วก็รูป แต่เรียงไปตามหลักทฤษฎีก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญญญญาณแต่เรียงตามความเป็นจริงแล้วมันต้องเกิดวิญญาณก่อนใช่ไหมมันตามันต้องเห็นก่อนถึงจะนึกออกว่าอะไรเป็นอะไรถ้าตามไม่เห็นภาพที่จับตุงมก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่อันนี้โครงสร้างของอะไรนมามธรรมโครงสร้างของนามธรรมเมื่อกี้ที่ว่ารูปมันรู้สึก อ, อะไรเรียกว่ารูปธรรมใช่ไหมรูปมันทําหน้าที่นามมันทําหน้าที่นี่มันทำหน้าที่ ดังนั้นเรามาเจริญสตินี้มารู้รูป ร, รู้นามเบื้องต้นนะรูป ร, รูนามเบื้องต้นให้ได้แล้วก็รูนามเบื้องต้นนี้เราจะเข้าไปพิจารณาให้เป็นวิปัสนามาที่นี่เรามาทําวิปัสนานะไม่ถ้าทําสมถะสมถะทุกคนมีอยู่แล้วคือจิตสงบจิตสงบนี่ทุกคนรู้จักทํา ถ้าเราไม่จิตไม่สงบเราจะเรียนจบไหมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเราจะเรียนจบไห ม, ไ ม, ม, ไ, หมไม่จบเราจะทำงานสำเร็จไหมไม่สำเร็จเพราะนั้นการที่เราตั้งใจทำอะไร น, น, นั้นแหละสมาธิมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำมันอีกเราก็มาทาวิปัสสนาคนที่มามีสมาธิดีมสมาธิมากก็เรียนเก่ง <c oughs> คนที่มีสมาธิน้อยหน่อยก็เรียนไม่เก่งนะคนที่มาสมาธิปานกลาง ก, ก็เรียนปานกลาง น, น, นั่นเราก็จะรู้ตัวเราเองว่าเรามีสมาธิมากน้อยแค่ไหนวันๆเราทำอะไรได้ดีสมาธิดีก็ทำอะไรได้ดีถ้าสมาธิไม่ดีก็ทำอะไรได้ไม่ดีนั่นเรามีอยู่แล้วสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจตั้งใจทำอะไรตั้งใจเวลาฟังเหมั่นกันคนไหนฟังแล้วเข้าใจดีเห็นชัดแจ่มแจ้งคนนั้นก็สมาธิดีบางคนฟังไวแล้วจาอะไรไม่ได้เลยก็สมาธิไม่ดีนี่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ตัว วิปัสนาเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นอย่างที่บอกมาเมืมม่อเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าเรารู้สึกปวดนี่มันเป็นอะไรถามตัวเองเลยเป็นทุกข์ใช่ไหมทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะมันมีการอะไรมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอ น, นิจจังใช่ไหมและความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันมีตัวตนไหมไม่มีเขาเรียกว่าอนัตานาตานะตาเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ทำอย่างเดียวคือ อนนี้จังทุกข์ขัง TA, หน้าตาหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยธรรมชาติด้วยกําเนิดต้องไปไปตามกฎของนี้อันนี้จังทุกข์ังหน้าตาแล้วก็เปลี่ยนมาเลื่อยไปแล้วก็บําบัดมาเรื่อยไปร่างกายนี้ต้องบาบัด เ, เลื่อยไปเรียกว่ามันเป็นโรคตัวทุกข์นั่นแหละมันเป็นโรคเรียกว่ารูปโรคเป็นโรคเป็นทุกข์อันเดียวกันร่างกายที่มันเป็นโรคแบบธรรมชาติในทุกคนเป็นหมอก็เป็นโรคพระพุทธเจ้าก็เป็นโรคโรคอะไรโรคปวดแข้งโรคปวดขา โรคเจ็บโรคคันโรคตึงโรคเครียดวันนี้มันเป็นโรคที่มีอยู่ตลอดเวลาโรคอย่างนี้หมอก็ยูยารักษาไม่ได้เพราะมันเกิดตลอดเวลามันมากับดินมากัรูปถ้ามีรูปก็ต้องมีโรคเนี่ยก็โรคประจําสังขารนะไม่ใช่โรคประจําตัวถ้าโรคประจําตัวอาจจะเป็นโรคตับโรคปอดโรคเบาหวานโรคไตโรคฟันโรค ลิขิตดวงโลกเก้าโลกอะไรไปที่มันเกิดอันนั้นเขาเรียกโลกที่เกิดมาทีหลังแต่โลกที่มันเกิดมาก่อนตั้งแต่เราเกิดแล้วนี่เขาเรียกว่ารูปโลกรูปโลกนี้บำบัดตลอดเวลาไม่มียานอะไรรักษามันได้นอกจากธรรมโอสถธรรมโอสถขนาดที่จะไปรักษาโลกนิดนี่ได้เรียกว่าตัวสติปัญญานั่นเองเวลาปวดข้างนี้แล้วก็พิจารณาก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นโมหะหรือสัญชาตญาณแม้แต่สุนัขมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นใช่ไหมเวลามันนอนนานามก็ลุกหนีเหมือนกันเพราะมันก็ปวดเหมือนกันอ่าเวลามันนั่งทำอะไรนานๆมก็ปวดมันก็ลุกหนีมันก็บําบัดให้งมันเป็นแม้แต่สุนัขแม้แต่สัตว์สัตว์มันก็อยู่เฉยไม่ได้มันอยู่นานๆก็นิ่งไม่ได้มันก็ปุ๊บทุ่งกัน การบำบัดโดยธรรมชาติางั้นเรียกว่าสันสัตวยานคนก็เป็นสัตว์ก็เป็น ไ, ไม่ต่างกันแต่ว่าคนที่จะต่างกับสัตว์ก็ตรงที่ว่ามันมีการพิจารณาซะก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนพิจารณาเอาปัญญาซะก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่พิจารณามันก็เกิดตันหาเกิดอุปทานถ้าพิจารณาว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขั์ อ, อนิจตาแล้วก็เปลี่ยนไปกําหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนไปก็เป็นปัญญานะแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของเราก็จะ มีความเข้มแข็งมีความหมายมีแสงสว่างมีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการเอาปัญญาจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์นี่แหละเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัญญาอยู่เสมอดังนั้นทุกครั้งเวลาเราจะทําอะไรกําหนดซสียก่อนนะทุกอย่างกําหนดเพื่อที่จะแปลงตัวสัญญาให้เป็นปัญญานะตัวสัญญาที่มันเป็นไปเองเรียกว่าสัญชาตญาณ แต่ตัวสัญญาที่ถูกกาหนดรู้เราเรียกว่าปัญญายาณ น, นะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสัญชาติยานให้เป็นปัญญายาณโดยใช้การกําหนดรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนาตาเข้าไปเป็นตัวกลางแต่ว่าเราไม่ต้องนึกทีละตัวก็ได้ไม่ต้องนึกว่ามันเป็นอนิจจังนะทุกขังนะไม่ต้องนึกก็ได้นึกว่ากาหนดรู้กําหนดรูร้อ๋ออันนี้มันเป็นทุกกําหนดรูร้ทนได้ไหมทนไม่ได้ก็ ก็เปลี่ยนถ้าทนได้ก็ดูไปเรื่อยๆแต่สําหรับคนที่ปฏิบัตินานๆแล้วก็จะฝึกทนนะอาลองปวดดูจะปวดแค่ไหนฉันจะดูแกนั้นหมายความคนนั้นแยกเป็นละแยกกายแยกใจเป็นละแต่คนยังไหนแยกไม่เป็นกายก็คือใจใจคือกายก็ก็แยกไม่เป็นก็เวลากายปวดใจก็ปวดไปด้วยก็จะเป็นต้องเปลี่ยนแต่คนที่ปฏิบัติเป็นแล้วกายปวดแต่ใจไม่ปวดก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ปวดก็เป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันก็มีการฝึกฝนสูงขึ้นไป ยิ่งฝึกฝนสูงขึ้นไปยิ่งนั่งได้นานคนไหนปฏิบัติได้ไวคนนั้นหมายความคนนั้นนั่งได้นานเพราะมีการทําใจได้ถูกแต่คนไหนที่ยังปฏิบัติได้ไม่ถูกก็ทนได้ไม่นานต้องเปลี่ยนไปตามอาการของกายนะอันนี้ก็คือเป็นการเครื่องวัดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำลั ก, ล ก, ลกษณะการเจริญสติที่เป็นวิปัสสนาต้องไปแนวนี้นะหนึ่งต้องรู้จักชีวิตทุกข์ ท, ทรนอีกทีหนึ่งก่อนที่จะจบ สชีวิตแบ่งเป็นกี่อย่างสองอย่างคือรูปกับนามหรือกายกับใจรูปแบ่งเป็นกี่อย่างแบ่งเป็นสองอย่างคือยูบหยาบเรียกว่าธาตุซรูปละเอียดเรียกว่าธาตุอาศัยธาตุทั้งธาตุหยาบทั้งละเอียดบวกกันเข้าเป็น28อ่า ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุอาศัยคือรูปของผู้หญิงรูปของผู้ชายรูปหนักรูปเบารูปสบายรูปไม่สบายก็เป็นรูปเหมือนกันนะเป็น24รูปนะแล้วก็ในส่วนน้ำล่ะรูปเป็น28น้ำมีเท่าไหร่น้ำมีเท่าไหร่อ่ารูปน้ำกับน้ำรูปในส่วนรูปน้ำนั้น ก็คือรูปกับเวทนาบวกกันเข้าไปรู้สึกเยน็นยอดหนแข็งในส่วนที่เป็นนามก็เป็นสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยบางทีก็บวกเวทนาเพราะเวทนาเนี่ยเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามนะถ้ามันมาอยู่กับรูปเรียกว่ารูปนามถ้าไปอยู่กับนามเรียกว่านามรูปตัวเวทนานี่นะเพราะฉะนั้นเวทนานึงเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามแต่สัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามอย่างเดียว آ, อ่าเพราะเวทนาเนี่ยเวลากายไม่สบายเมื่อก็ไปทุกขเวทนา เป็นรูปนามเวลาใจไม่สบายแล้วก็ว่าเป็นโสโสมนัสใจไม่โทมนัสเวทนาแล้วก็เรียกว่านามเหมือนกันเรียกว่านามเวทนาตังนั้นก็เป็นนามเหมือนกันเวทนาจึงเป็นได้ทั้งนามทั้งรูป น, น, น, นี่คือในส่วนที่เราเรียนรู้และการที่รูปกับนามทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่ารูปทำนามทำและมันทางานอย่างไรรูปทางานอย่างไรทางานตามหลักของอ นิจงังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันทํางานองั้นตลอดเมื่ อ, อนิจงังทุกขังอนัตตาทํางานแล้วถ้าเรามีสติเข้าไปกําหนดรู้อนิจงังทุกขังอนัตตก็เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นปัญญาถ้าไม่มีสติเข้าไปกำหนดรู้อนิจงังทุกขังอนัตตก็เปลีป่ยนเป็นอะไรเป็นเป็นโมหะและความหลงเป็นความโง่เขลาใช่ไหม พวกเขาไปเรื่อยๆนะมันก็จะทําให้เราหลงตัวเองไปเรื่อยๆลืมตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เข้าไปกําหนดรูปนามรูปทำนามทำด้วยสติมันก็กลายเป็นความหลงแต่ถ้ามีสติมีปัญญ า, ามีสติสมัมผัสไปกําหนดรูก้ก็กลายเป็นปัญญาไปเรื่อยๆจึงเรียกว่าวิปัสนาญาณคนไหนเกิดวิปัสนาญาณแล้วคนนั้นก็จะเห็นรูปนามนี้แยกออกเป็นสมุติก็เป็นปรมัทตย์ ในส่วนไหนเป็นสมมุติคือเราไปใส่ชื่อให้มันนะมันมีชื่อเยอะแยะเลยสมมติสมมติแปลว่าอะไรสมมุติแปลว่าข้อตกลงอ่าข้อตกลงกันว่าเรียกอย่างนี้นะไอตัวที่เป็นอันอนีนี่นะรูปอันนี้นะเราเรียกว่าอะไรอ่าเรียกว่ามือใช่ไหมและในมือเป็น5้ากิ่งแต่และกิ่งเราเรียกว่า นิ้อย่างเงี้ยและแต่ละนิ้วก็มีชื่อของมันอีกกิ่งเล็กๆนี้วหน่งนิ้วอะไระกิ่งใหญ่นี่เขาเรียกว่ายูโปมีสมมุติไปเรื่อยๆแต่ในยูโปนี่น ป, นนประกรอบด้วยอะไรประกอบด้วยเล็บอีกมีชื่อของมันอีกประกอบด้วยหนังประกอบด้วยเนื้อประกรอบด้วยดูประกรอบด้วยเลือดอเห็นไหมส่วนประกอบอีกเยอะแยะเลยนี่เขาเรียกว่าสมุตินมันมีส่วนประกอบแย่ออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็มาสื่อความหมายกัน แต่ถ้าสื่อความหมายถูกก็ทําให้เราสบายใจใช่ไหมถ้าสื่อความหมายผิดก็ทําให้เราทุกข์ใจเช่นเอ า, อ ห, า, าหัวมิโป้ตัวนี้นะเขาว่าหัวมิโป้เราไม่ดีหัวมิโป้ของเราเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเราสึกสบายใจไหมไม่สบายใจเขาหัวมิโป้ของคุณสวยอย่างนะคุณทำบุญด้วยอะไรเนาะหัวนิ้วมือคุณช่านสวยเหลือเกินรู้สึกสบายเป็นไงสบายใจอย่างเง้ยที่ใช่ ส, ส, สมมติมันมีผลต่อจิตทันทีเลย ถ้าเรารู้จักสมมุติมันก็มีความดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่เขากระทบมาแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักปรมามัตดเขาบอกว่านิ้วของคุณสวยเหลือเกินระบอกมันไม่ใช่นิ้วนี่อันนี้มันรูปนะเราไม่ใช่นิ้วของฉันด้วยฉันไม่มีนิ้วฉันมีแต่ทาสีดีน้ำรลมไฟคาพูดของเขามีผลสบายสบายหรือไม่สบายใจของเราไหมไม่มีผลเพราะเราดูมันเป็นอะไรเป็นปรมามัตดคือเป็นรูปอ่า แต่ถ้าเราเป็นดูเป็นนิ้วของฉันแล้วมีผลได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นรูปด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่ยมันมีผลเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไปสัมพันธ์กับรูปที่เป็นปรมัดมันจะไม่มีผลเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาตัวนี้ให้รู้ทั้งสองทางที่แล้วมาเรารู้แต่สมมุติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็มีชีวิตแต่สองทางสุขบ้างทุกข์บ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง าบาบ้างบุญบ้งางสบายบ้างไม่สบายบ้างสลับกันอยู่เงี้ยในแต่ละวันชีวิตก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเปลี่ยนแปลงขึ้นขลงลรวมลุกคลุกคานดีด ช, วช่วชั่วสุขทุกข์กเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ทําให้เราไม่สบายดังนั้นเรามาเรียนนิปัสนานี้เพื่ออะไรเพื่อให้ยกจิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งให้มารู้จักปรามาตัตดเพื่อที่จะได้รู้จักตัวสมมุติแล้วปล่อยวางสมมุติแล้วมาเข้าใจปรามาตัตดเราก็ยังใช้สมมุติอยู่แต่ว่าเราไม่เอา เรามาเอาตัวปรมัตเป็นที่อยู่ของใจนะอันนี้คือเบื้องต้นที่จะต้องเข้าใจในวันนี้นะนั้นเวลาเราไปนั่งทำแล้วเนี่ยเราไปพิสูจน์ความรู้ที่มาได้บอกมาทั้งหมดมันจริงไหมนะถ้ามันจริงแล้วก็เห็นความจริงมากขึ้นจิตของเราก็จะซึมซับเอาสภาวะธรรมที่เราเ ป, เป็นจริงนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวนี้มันก็จะเป็นปรมัตถภาวนาขึ้นมา ในใจนะแล้วในขณะที่ทาเนี่ยแน่นอนนึกอยู่เสมอว่าขณะที่ปวดอะไรปวดเราก็กำหนดรูล้ลงไปถ้าเราปวดมันก็เราก็เป็นอะไรด้วยเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าสีมันปวดเราจะทำยังไงไม่ต้องทุกข์กับมันใช่ไหมเพราะถ้าสีมันปวดเราก็แก้ไขซ ะ, ะนั่งอย่งนี้มันปวดแก้ไขมันก็หายไปทุกข์ก็หายไปภาคหนึ่งเอาพอนั่งไปสักสองสาท่านทีเป็นอะไรอีกแล้ว มันทุกข์อีกแล้วมันทำหน้าที่อะไรรูปทำหน้าที่หน้าที่ของรูปทำกีอย่างหน้าที่ของรูปทำหน้าที่กีย่างสามอย่างอย่าลืมไว้สิทำหน้าที่เป็นอะไรเป็นทุกครัังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานั้นน่ะเป็นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่เมื่อเราต้องการที่จะได้ปัญญาจากเขาเราทำไง เข้าไปกําหนดรู้ทุกครั้งเวลาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่เมื่อเราต้องการตันหาวิชาจากเขาเราทำยังไงไม่ต้องกําหนดรู้อะไรเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆตันหาวิชาก็เกิดไปเรื่อยๆเราก็ทุกไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ามีการกําหนดรู้ทุกครั้งในการเปลี่ยนแปลงบางครั้งนั่งไม่ปวดเวลากินข้าวไปเนี่ยมันอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยทําไม่กาหนดรู้ โอ้ไม่อร่อยฉันไม่อร่อยอาหารไม่อร่อยทุกเกิดแล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเพียงแต่เอาธาตุชทนธทาตุธาตุสี่ภายนอกดินน้ําลมไฟภายนอกคืออาหารแล้วก็เราดินน้ํำลมไฟภายในคือตัวเราเอามาชนกันแล้วก็ทําหน้าที่เคี้ยวแล้วก็กลืนไม่มีคิดถึงคำว่าอร่อยไม่อร่อยทุกเกิดไหมไม่เกิดแต่วันนี้เรายังทําไม่ได้เพราะปัญญายังไม่พอที่จะทําขนาดนั้นแต่สังสมไปเรื่อยบางคนอาจจะปัญญาไวก็ได้ว่าธาตุสีภายนอกคืออาหาร แต่มาชนกับธาตุส uh, ี่ภายในคือตัวเรามื่อมาชนกันแล้วก mm ็ต้องทําหน้าที่ใช่ไหมทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารเป็นอะไรทาอาหารเปลี่ยนอาหารจากอาหารหยาบมาเป็นอาหารละเอียดและจากอาหารละเอียดก็ไปเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นธาตุใช่ไหมดินน้ําลมไฟส่วนไหนไปเป็นเลือดส่วนไหนเป็นลมส่วนไหนเป็นกระดูกส่วนไหนเป็นเนื้อเป็นเรื่องของมันแต่เราช่วยมันหน่อยก็ตรงที่ทําอะไรเคี้ยวแต่ถ้าขณะที่เราทําหน้าที่เคี้ยว แล้วไปเผอคิดว่าอร่อยเมื่ออร่อยทุกเกิดได้ใช่ไหมบางคํามันก็อร่อยบางคํามันก็ไม่อร่อยบาง ค, คําคํำไหนอร่อยเราก็พอใจบางคําไม่อร่อยเราก็ไม่พอใจทุกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไปติดตรงนั้นเป็นอวิชชาฐานะประธานเกิดขึ้นตรงนั้นถ้าเพียงแค่เรารู้มีหน้าขี้เคียเค้ยวเคี้ยวกีคล้างกืนกี่หนรู้หน้าที่ก็คืนเข้าไปอร่อยไม่อร่อ ย, อยเป็นเรื่องของมันเราทําหน้าที่ได้แค่นั้นเราก็ไม่ทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราทําหน้าที่อย่างนี้ไหม ไม่เราทำหน้าที่อร่อยหรือไม่อร่อยทำหน้าที่ชอบหรือไม่ชอบทุกมันก็ยิ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆอยง้นะทุกเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ประมวลเกี่ยวกับเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องรูปนามนะเบื้องต้นพิสูจน์แล้ววันนี้ทั้งวันเราก็ต้องไปพิสูจน์กันนะจากช่วง6โมงถึง6โมงครึ่งเนเราจะมีากายบาบัดนิดหน่อย เพื่อที่จะเวลาเราไปปฏิบัติแล้วนี่มันเกิดขัดข้องอะไรขึ้นมาเราจะแก้ไขเป็นนะเวลามันง่วงขึ้นมาแก้ไขยังไงมันเบนงงเนเื่อขึ้นมาแก้ไขยังไงเวลามันปวดเมื่อยขึ้นมาแก้ไขยังไงเวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาแก้ไขยังไงเวลามขี้เกียจขึ้นมาแก้ไขยังไงใช้โยคะเข้าไปแก้ได้นะฉะนั้นก็ในสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดพันช้านี้เป็นความรู้เกี่ยวกับการเจริญสติในการรักษา ที่พูดมาในสินข้อไหนสินข้อที่หนึ่งคือรู้จักรักษาชีวิตไม่ให้ทุกข์นะสินข้อที่1เราจะว่าศินวละข้อวันนั้นต้องอยู่ครบ8วันนะใช่ไหมแปข้อดีเอาวันละข้อนะอันนี้การรักษาชีวิตเพื่อที่เราจะได้มีอะไรหลากหลายยิ่งขึ้นนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจศึกษาชีวิต แล้วเราได้ศึกษาชีวิตนี้ได้ทะลุผุโปร่งแล้วทุกเราก็หมดไปชีวิตของเราก็คุ้มค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ใช้ชีวิตของเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ส่องแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปเราก็จะได้อนิสงส์ให้เราเกิดมีความสงบสุขเรียกว่ามรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านถืนอกลับ